ขอความเจริญในธรรมคือมีแตท่านทุกขังทั้งหลายแต่ร่มประตติญาณในวันนี้ของเป็นการขยายความองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทสืบต่อจากที่เรียกวไว้ในวันก่อนก็ต่อไปก็คือนามนามนั้นได้แก่ธรรมห้าประการก็คือเวทนาแล้วความสวยอารมณ์ สัญญาความจำได้หมายรูปเจตนาคือความจงใจคิดจงใจพูดจงใจทําัษจะคือการกระทบก็บัสา6หกนั่นเองก็คือการกระทบก็เรียกว่าจักขุสัมปัตโศโสตสัมปัตโสกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มนัสสิการคือการใส่ใจการสนใจ สรุปรวมแล้วก็คือนามนามขันทั้งห้าและเกวเวธนาสัญญาสังขารรูปก็คือหมาปูต ร, รูปและอุปาตาจะรูปดังกล่าวไว้ในตอนตอน้นทีนี้ลักษณะของนามารูปเนี่ยท่านอธิบายว่ามีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะอารมณ์คืออะไรล่ะ อารมณ์ก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลสัพเพะแล้วก็คือธรรมารมเวลาเราเรียกเราเรียกว่ารูปอารมณ์อารมณ์คือรูปสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นรสารมณ์อารมณ์คือรสผลสัพเพะอารมณ์อารมณ์คือผลสัพพะธรรมารมเกิดอารมณ์ที่เกิดกับจิตก็ได้แก่ผู้รูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะนั่นเองแต่ว่าเราเก็บเราจําไว้เราก็นํามาคิดภายในใจ อารมณ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เราใช้แนวธรรมารมณ์หมายความมาเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจอารมณ์รักอารมณ์ชงังอารมณ์โกรธอารมณ์สุนซรีอะไระอะไรก็ว่าไปแตจริงนั่นก็คือจิตมันถูกปรุงด้วยกุศล เ, เ, เรื่องกุศลหรือกลางกลางสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะเป็นเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิต อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้เพราะฉะั้นอารมณ์เรามันจะมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆตามกระบวนการของธรรมะนะครับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์กลางๆแต่ว่าก็มีรายละเอียดในตัวเขาเยอะนะฮะมีการประกอบกับจิตเจตสิกเข้าด้วยกันเป็นหน้าที่คือหมายความว่าจิตเนี่ยมันเกิดโดยลาพังไม่ได้เจตสิกมันก็เหมือนกันนะฮะมันก็ต้องอาศัยจิต ผลจิตกเจตสิกนี่เกิดร่วมกันดับร่วมกันมีลมอย่างเดียวกันบวกนามรูปก็มีหน้าที่ในการที่จะประกอบจิตกเจตสิกนี่ให้ประสานสัมพันธ์กันเลิกมีการแยกออกจากจิตมีการแยกออกจากจิตไม่ได้เป็นผลคือหมายความว่าพวกนี้จิตถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็มีอาการไม่ได้ แล้วก็อาการเราเรานี่เองอ่ะถ้าไม่มีจิตมันก็แสดงอาการอะไรไม่ได้ตรงนั้นจึงเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นเราตัง้งกจความรักความชังความเมตตาปัญญาไอ้การูนาวเบขาอะไรอะไรเนี่ยมันเกิดเฉพาะแก่จิตเท่านั้นไม่ได้เกิดแก่ท่อนไม้ภูเขาจอมปลวกอะไรอะไรไม่เกิดแล้วเพราะว่ามัน แยกไม่ได้พวกนี้เป็นนามธรรมมันแยกจากตัวนามธรรมนี่คือจิตไม่ได้แต่พวกนั้นมันเป็นรูปธรรมแล้วมันไม่มีเชื่อว่านามธรรมที่เราเรียกว่าสังขารไม่มีวิญญาณครองอ่ะแกไม่มีวิญญาณแล้แกไม่มีวิญญาณกุศลอกุศลก็ขึ้นปรุงไม่ได้พวกนี้ก็จะอิงอาศัยกันและการระหวังเขาของเขามีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิญญาณตรงนี้เราจะเอาวิญญาณไหนก็ได้นะครับ เอาวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ได้เอาเป็นวิถีวิญญาณก็ได้แต่ตามปกติในชีวิตเนี่ยเราพูดถึงวิถีวิญญาณให้เราสังเกตว่าความรักก็ดีความชังก็ดีเมตตากรุณาไอุ้ทธิตาเบหากรีมันเกิดจากการสัมผัสอารมณ์เพียงแต่ว่าเราสัมผัสโ ด, ดยประสาทห้าข้างนอกหรือว่าเหนี่ยวนึกขึ้นมาจากข้างใน เช่นเรานึกถึงคนที่เรารักคนที่เราเกลียดไอ้ความรักความเกลียดมันมีอยู่ภายในใจเราแล้วแล้วเราเป็นเหนี่ยวนึกถึงนึกถึงเขานั้นก็แสดงว่าเป็นมโนวิญญาณเป็นเหตุให้มันเกิดความรู้สึกรักหรือว่าชังแต่ว่าบางทีมันก็เห็นเขาแล้วก็รู้สึกรักรู้สึกชังมันก็กลายเป็นเกิดจักรคุวิญญาณเพราะวิญญาณน่ะเป็นเหตุกล้ให้เกิดนมามรูป แล้วมันก็เป็นเข้ามาอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือเวทนาสัญญาสังขาร น, นะฮะตัววิญญาณก็คือจิตตรงนี้ที่จริงหมดแล้วตัวเราเนี่หมดแล้วหมายความว่าตัวเราก็คือขันห้ารูปก็เป็นรูปอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็จิตก็เป็นวิญญาณก็จบก็เป็นตัวตนเป็นบุคคลสมมตินะฮะตัวตนบุคคลเนี่ยก็สมมุิปัญญาเตา ทีนี้เมื่อผ่านกระบวนการเราจะเดินเติบโตอเช่นว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันต้องอีกกอีจุดหนึ่งนะฮะจึงจะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านวันเวลาไปนานพอสมควรแล้วเรารับได้เต็มที่เนี่ยมันก็ตอนที่เราคลอดออกมาจากคันแม่แล้วแล้วก็ผ่านเวลาพอสมควรเช่นเดียวกันนะฮะ ผ่านเวลามาพอสมควรเช่นเดียวกันคือรับครั้งแรกๆมันก็มีแต่วิชาทั้งนั้นนะอวิชาเลยก็ร้องไห้อวิชาก็คือร้องไห้นะอาจจะอยากได้ก็ได้นะอาจจะปฏิเสธก็ได้เราสังเกตอาการเด็กคือนั่งดูเด็กเนี่ยแล้วก็นึกถึงธรรมานี้ไปด้วยเราศึกษาทำความเข้าใจกับประจักษ์การแล้มานั่งดูเด็กก็จะเห็นอาการของนามรูปอาการของอายตนะ การใช้พวกอายตนะต่างๆเนี่ยจะมาถึงระดับอายตนะที่จริงไม่ต้องดูเด็กอะดูเราเองเลยก็จะเห็นว่าอายตนะแปลว่าที่ต่อหรือสิ่งสมัครต่อจะหกอย่างคือตาหูจมูินกายแล้วกายแล้วกระจยนะฮะแล้วก็ต่อการรู้เสียงกลิ่นรสปรสปะพวกนี้เจอบ่อยเจอบ่อยจนหน้า น่าอาจจะมีคนก็พูดว่าพระไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเรื่องเรารู้แล้วทั้งนั้นนะคือพูดที่กายอ่ะก็ไม่รู้จะว่ายัางไงโลกเรามันเป็นโลกสัมผัสอะไรก็เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายเพียงแต่วัดภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ใช้ไม่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราก็ไม่ตํากลังให้มันเกี่ยวกับกับคนคือมันก็อธิบายถึงองค์ธรรมไปเสียแยกส่วนออกมาพูดเสีย ก็เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าบางเรื่องก็พูดเป็นแนวไอ้นิทานเรื่องราวบุคคลก็พูดเป็นตัวคนนะก็ไม่ได้พูดตาหูจมูกลิ้นกายหรอกพูดเป็นตัวคนล้วนๆไปเลยไม่ได้แยกส่วนมาพูดอย่างนั้นทีนี้ได้แก่รูปประคันกับนามขันตรงนี้ทั้งทั้งหมดคือรูปประคันนามขันตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสปวดพระในที่จริงก็คือกายคือรูปประคันแล้วก็ ใจกับธรรมารมเนี่ยก็คือนามขันเอาอีกละมันก็กลายเป็นพวกนามรูปนั่นแหละเกี่ยวกับนามรูปคือเราเรียกว่าขันธาตุอายตนาะอะไรอะไรนี่ก็เรียกกันไปทีนี้ลักษณะของเขาก็เรียกว่าลักษณะทิจตุ ก, กะคือการต่อกับรูปเป็นต้นเป็นลักษณะ หมายความตาหูจะมาลิ้นกายเนี่ยถ้าไม่มีรูปให้เห็นเช่นตาบอดอย่างเงี้ยจะครูประสาทพิการเนี่ยก็จบไปทำหน้าที่อาญาสนะไม่ได้เพราะฉะเราจะเห็นว่าผัสสะตรงนั้นก็ไม่มีวิญญาณตรงนั้นก็ไม่มีผัสสะตรงนั้นก็ไม่มีเวทนาตรงนั้นก็ไม่มีตัณหาในรูปนั้นในรูปที่ตัวเห็นนะก็ไม่มีในรูปที่ตัวจับต้องก็อาจจะมีนะฮะธรรมดาแค่คนตาบอดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสวยงามไม่สวยงาม แต่เขามีรูปที่เขาจับต้องได้เขาจะต้องใบหน้าคนเ็รู้ว่าสวยไม่สวยได้อะนะแต่ว่ารูปนั้นที่จริงมันเป็นจินตนาการแหละซึ่งถ้าเขาตาดีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเขาจะยังคิดว่าสวยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นตัวต่อเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูป ต่อกระเสียงต่อกระกลิ่นต่อกระรสต่อกระพุทธะพรต่อกระธมรมมรมมีการเห็นรูปเป็นต้นเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นเลื่มรสตรวต้องยินด้นแข็งเป็นต้นเนี่ยเป็นลักแต่เป็นหน้าที่แล้วก็มีความเป็นที่ตั้งและทางผ่านของวิญ ญ, ญาณธาตุเป็นผลเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกวิญ ญ, ญาณเนี่ยเรียกจะคุวิญ ญ, ญาณความรู้ทางตาหมายความว่าไงเช่นสมมติว่าเราเห็นรูปเนี่ย องประกอบของการเห็นหนึ่งก็มีรูปอยู่ในวิสัยของจักรุประสาทสองเรามีจักรุประสาที่ไม่ิการสามมีแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นรูปได้แล้วก็สี่มีมนาสิการคือใส่ใจหรือสนใจเพราะแม้มันจะมีนะฮะเช่นสมมติว่าเรานั่งไปในรถเดินไปกลางถนนเราสวนคน บางที่เราเดินกลมๆมาเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าใครอ่ะเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเพวาะตัวมณฑิการเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ไหแล้วก็แนวมณฑิการจึงนำมาใช้ทั้งเชิงกุศลและอกุศลคือหมายความมณฑิการคือใส่ใจสนใจในเรื่องอะไรก็ตามกุศลมันเกิดขึ้นก็ให้ใส่ใจสนใจในเรื่องนั้น มานัติการเรื่องอะไรก็ตามอกุศลมื่เกิดขึ้นก็อย่าไปใส่ใจอย่าสนใจมันอันนี้ก็คือแนววิตกอย่างที่เคยพูดไว้ก่อนนานมาแล้วนะคือแนววิตกนั่นเองทีนี้เพื่อทํำยังไงไว้เรามันก็มานัติการนะใจมันมันมันมีหน้าที่มานัติกานี่แหละท่านก็สอนเรื่องโยนิโสมนัติกาแล้วก็ปฏิเสธเรื่องอโยนิโสมนสิกา เช็ดบราความเครียดแคลงสงสัยในความดีในคุณคุณของพ่อของแม่คุณของพรัตนาใจคุณของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการระบบความคิดที่เราไม่คิดโดยอุบายวิธีที่แยบคายนะอย่างที่อาจจะเคยเล่ามาแล้วนะเกเรตมาเดีย๋ยวนี้ก็มีหลักสูตรอบรมเด็กในที่ต่างๆโดยเฉพาะย่างยิ่งคือเด็กทางอีสานใต้ ที่เราไปบรรยายอบรมอยู่ที่วัดวัปูกแก้วอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยส่วนมากก็เด็กมสามขึ้นไปถึงมหกแล้วก็นักศึกษาระดับสถาบันราชจะพัดวิทยาลายัยพยาบานลนลยจ่าไรพวกครูพวกตำรวจเนี่ยหรือถ้าเด็กเนี่ยเราจะตั้งให้เธอคิดเรียกว่ายนในสโสโมณศิการคือคิดโด ย, ยวิธีแ ย, ยกคิดง่ายๆแล้วให้นาไปขยายต่อ ให้คิดโยกไปโยกมาดูต่อเบอร์หนึ่งพ่อแม่เนี่ยก็แต่งงานกันแล้วถ้าไม่มีเราเนี่ยก็อยู่ได้ไหมสองเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมสามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิบเกิดเป็นคนได้ไหมก็าถามแค่สามประโยคแต่บางทีก็เด็กเล็ ก, ลกๆก็ต้องเพิ่มนอีกประโยคนึ่ง ว่าถ้าพ่อแม่เราเกิดเป็นแมวเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมหรือให้คิดอ่ะเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการและเราจะเห็นว่าเราไม่ใช่คนสําคัญอะไรเราไม่ใช่คนสําคัญอะไรเราเป็นคนอาศัยเขาตลอดแต่อัตราเราใหญ่มากนะคือใหญ่โตบางทางบางคราวเนี่ยเราก็หลงลืมลืมสถานะของตัวเอง แม้แต่เวลาเนี่ยที่มีพูดเรื่องอะไรขึ้นมาหรือฟื้นเรื่องประวัติศาสตร์สมัยหกตุลาสิบสี่ตุลาอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยลองสาวไปดูเถอะสาวไปให้ถึงจิตก้นบึ้งของจิตเนี่ยจะเห็ น, หนอะไรมันไม่ใช่ตัวเองคือศูนย์กองความถูกต้องแล้วเราจะเห็นถึงความผิดพลาดบกคร่องภายในจิตของมนุษย์เนี่ยแหละมันไม่มีใครถูกสมบูรณ์หรอกกรณีที่เป็นความขัดแยง้งอย่าคิดว่าเราคือศูนย์กองความถูกต้อง อยียกคิดว่าคนอื่นคือความผิดเพราะถ้าถูกด้วยกันแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาผิดคนหนึ่งถูกคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะหลบเลี่ยงแต่ว่าที่เกิดปัญหานั้นแสดงว่าผิดทังคู่จิตที่มันตั้งไว้ผิดมันคิดผิดเพราะไม่มีระบบของโยนในสูตมนุษิการแล้วไม่ยอมสาวไป เมยอนสาวไปถึงที่ไปที่มานะเนี่ยโรศาสพท์ไปถึงที่ไปที่มาเราก็จะเกิดความเข้าใจแล้วไม่ต้องไปโศกไปโวยวายไปอะไรมันเป็นเรื่องสถานการณ์ในขณนะนั้นเมื่อคนมันใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลเมื่ออารมณ์มาประทับอารมณ์มันก็ต้องมีอันเป็นไปอย่างหนึง่งเป็นปกติธรรมดาไม่ว่าจะโลกในยุคใดสมัยใดก็ตาม เพราะนวโยนิโสมัศิการเนี่ยคือเป็นการคิดโดยเหตุโดยผลทำให้เรามีความชัดเจนในเรื่องต่างๆมากยิ่งขึ้นทีนี้พวกการเชื่อมต่ออย่างเนี้ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่มานาสิการใช่ไมใส่ใจไม่สนใจก็จบ ก็ดูว่ามณฑสิกาแล้วกุศลเกิดก็ใส่ใจกุศลไม่เกิดก็ไม่ใส่ใจเพราะงั้นหลักจริงๆจึ ง, จ ง, จงให้เป็นโยนิโสมณฑสิการเสียเพื่อนแน่นอนว่ากุศลธรรมมันจะได้เพราะว่าถ้าระดับโยนิโสมณฑสิกาเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สําคัญคือหมายความตัวข้างนอกในรูปเสียงกลิ่นรสปริรปรภูมธรมรมารมณ์เป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญว่าเราคิดเป็นยังไงเรามองมันยังไงเราสามารถจะหาประโยชน์ได้ถ้าเราคิดเป็น มีคนบางคนสามารถตั้งตัวได้โดยขายหนูตายกับเจ้าของแมวเพียงตัวเดียวเพียงตัวเดียวเขาก็สามารถเอาเป็นต้นทุนในการสร้างตัวเองให้มีฐานะหลักฐานมั่นคงขึ้นมาได้นั่นก็คืออยู่ที่โยนินโสมนสิการแล้วก็มีนามารูปเป็นเหตุกล้าให้เกิดก็นามารูปก็อย่างที่ว่านะฮะคือหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมารมก็คือนามารูปหรือว่า ขันห้ามันก็คือนามารูปหรือว่านามารูปก็คือนามารูปคือโลกนี้มันนามารูปอะ่ะพูดไงว่าโลกทั้งปวงก็คือนามารูปหรือบางทีรูปนามก็แล้วแต่จะเรียกกันนะแต่ว่าในปฏิจจสมบัตินั้นเราเรียกว่านามารูปไม่ใช่เราเรียกอุอ้ยเจ้าเรียกเรียกว่านามารูปแต่ในการต่อมาภาษาทางอภิธรรมส่วนมากก็เรียกว่ารูปนาม ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องไปเถียงกันในประเด็นตรงนี้พูดอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้มันได้แปลกอะไรก็อยู่ในคนคนเดียวกันนะคนเนี่ยมันเป็นทั้งรูปทั้งนามนายกเนี่ยตัวนายกเนี่ยเป็นรูปแต่จิตนายกเนี่ยเป็นนามเรารู้ว่านี่คือนายกเนี่ยเป็นเป็นนามแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นรูปแต่สิ่งที่ทำหน้าที่รู้เป็นนาม มันก็แยกกันแยกกันให้ละเอียดนะแยกกันให้ละเอียดพอสมควรต่อการต่อไปก็คือผัดสะที่เราแปลว่าการกระทบมันเป็นกระบวนการทางอายตนะคือยานตาภายในมาภายในภายนอกมากระทบกันเราก็ได้โอวิญญาณทีนี้อาศัยยานตาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยสามอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นผัดสะคือการกระทบบางเวลาเราเรียกเราก็เรียกตามอานตนะภายใน จักรุสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสหมายความการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเป็นการกระทบกัน ร, ระหว่างอายตนาภายในภายนอกหรือวิญญาณเรียกตามชื่อของอายตนาภายในว่าจักรุสัมผัสเป็นตนซึ่งได้แก่ผัสสะเจตสิกนั่นเองก็มีลักษณะการถูกต้องอารมณ์เป็นลักษณะ อารมณ์ก็อีกอะคือรูปเสียงกิริยผลิัณฑ์ที่จริงพวกเนี้ยถ้าถ้าเราจับคําต่างๆได้แล้วมันมันไมไ่ค่อยวิจิตพิสดาลอะไรนะในแง่ของการทาความเข้าใจแต่ว่าการจะรู้แจ้งเนี่ยมันยากเกิน ค, คือกิเลสนี่มันเหนียวมันหนืดมันดึงไว้อะจะพยายามรู้จักจะพยายามรู้แจ้งจะพยายามทําความเข้าใจกิเลสมันก็ตุกไว้จิตก็ไม่ยอม ข, ขยับขยื่อนไป ในสุดก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การถูกต้องอารมณ์เป็นลักษณะมีการทําให้จิตกับอารมณ์กระทบกันเป็นหน้าที่จิตก็คือคือหมายความอารมณ์รู้เสีย ง, งกินรสผลิตภัณเนี่ยตลเรทต้องอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่มีจิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเนี่ยมันเป็นเพียงประสาทมันเป็นเส้นประสาทคล้ายๆกันอะไรละ่ะ คล้ายๆกับสายไฟที่เป็นที่แล่นของไฟตัวเองแกไม่รู้หรอกตัวตานี่แกไม่รู้เพราะตาแกเป็นวัตถุนะฮะแกไม่ได้รู้ตรงนี้ที่จริงเวื่อนี้ก็ค่อนข้างจะถกเถียงกันแล้วก็ไอ้ดีเอ็ก็มังมาแรงนะฮะดีเอ็ก็มังมาแรงก็กำลังประลบเรื่องโครนิ่งกครนึ่งอะไรต่างๆกันแล้วก็จะพูดเน้นไปที่ประสาทส่วนสมองจนเกิดมีจินตนาการ สร้างขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าอมตะเนี่ยก็มาอ่านดูก็ก็ค้าตี น, นะฮะเป็นความคิดที่ข้อตีแต่ว่ามันน่าจะมีการถกเถียงอภิปรายถกเถียงอภิปรายกันในในเรื่องนั่นแหละคือเปิดขึ้นมาสักบทหนึ่งแล้วก็ถกเถียงอภิปรายกันหรือไม่งั้นก็สร้างเรื่องใหม่ขึ้นรอเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ แล้วก็ทำความเข้าใจกับกระบวนการชาติพพเนี่ยบก็ศาสนาให้ดีแล้วก็ศึกษาเรื่องตรงนี้ให้ดีคือคือไม่ได้เห็นมันมั น, ม, นมันพิเศษอะไระนะเพราะว่าแม้เราจะเอาเนื้อเยื่อมาทำโครนโครนนิ่งเนี่ยบางทีมันก็เสียไปเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบนะเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวอวิชาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ถือครองสงนั้น ไม่มีปฏิสนธิมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะเจพาพวัตถุมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสมองระหว่างสมองกับจิตระหว่างไอ้ดีเกับคุณภาพของบุญบาปปกุศสลเนี่ยฮะที่จริงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ยังนึกว่าในวงการศึกษาเนี่ยของศาสนามันศึกษาลําพังคิดนี่ไม่ได้อะฮนะมันต้องปฏิบัติ เราะั้นก็ทำยังไงถึงจะให้ระดับอาจารย์ที่ท่านรู้เขีนในนามารูปชัดเจนในเรื่องเหล่าเนี้นะแล้วก็มาพิปลายมาอธิบายชี้แจงข้าหนึ่งก็เสนอขึ้นว่า ต, ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรเอาแหละ ว, วิทยาศาสตร์ก็เรียกอย่างนั้นไม่แปลกชื่อไม่แปลกชื่อมันสมมติออาแต่ว่าองค์ธรรมจริงๆเนี่ยคืออะไรเพราเพราะราไม่ต้องลืมคือพระเจ้านั้นเป็นสัพพันย์อยู่ ทรงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นโคลนิ่งนั้นจะต้องไม่อยู่นอกกรอบของสิ่งที่ทรงรู้แล้วยังไงมันก็ยังตกอยู่ในกดของปัจจัยหลักนั้นแน่นอนองค์ประกอบทางชีวิตก็คือมีกิเลสกรรมวิบากเนี่ก็แน่นอนเพียงแต่ว่ามีกรรมวิธีไปเสริมเฉยๆเป็นปัจจัยเสริมไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักจะเหมือนเดิมนะปัจจัยหลักเนี่ยไปแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่น่าจะทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแนวของผัสสะมีการทำให้จิตกับอารมณ์กระทบกันเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นผัสสะจึงแปลว่ากระทบแล้วก็มีการประชุมกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณเป็นผลถึงหมายความว่าจะเกิดผัสสะได้เนี่ยองประกอบทั้งสามประการนี้ต้องมีอายตนะภายในหกภายนอกหกวิญญาณหก ได้ก็จะกลายเป็นผัสสะเพราะฉะนั้นผัสสะมันก็มีหกตามอะไรตามอายตนะภายในกับสิ่งที่เรากระทบเพื่งกลายมาเป็นวิญญาณนี่ที่จริงตัวเอ ง, งนะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยเรามีผัสสะเรามีเวทนาเรามีตัณหาเรามีหมดทุกวันวันหนึ่งไม่รู้สักเท่าไหร่ ก็เป็นการทําความรู้จักกับตัวเองในแนวที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องคนอื่นซะเยอะแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองจนถึงก็หลงตัวเองแนวปฏิบัติการนั้นเป็นแนวศึกษาเรื่องของตัวเองแล้วพอเข้าใจได้มันก็รู้แจ้งโลกนะฮะโลกมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะคือปฏิจจสมุปบาทคือริยสัจสี่ แต่ตอนนี้เราก็ทําความเข้าใจกรอบองค์ธรรมพึ่สังเกตออกขยายนะฮะขยายออกไปขยายออกไปโดยลําดับถามทําไมไม่พูดรวดเดียวรวดเดียวมันคือถ้าเรามีหนังสือเรียนในชั้นเนี่ยรู้สึกจะได้เราสามารถจะเขียนขีดเ ข, ขียนบนกระดานได้แต่ถ้าฟังเฉยๆสมบพคนส่วนหนึ่งที่ศึกษามาแล้วไม่แปลกอะไรแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ศึกษาเนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากเล็กน้อยในการทําความเข้าใจ ต้อฟังทั้งหลายแต่รลวงปู่พธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบู์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี